อย่างที่หลวงพ่อไปพูดเมื่อคืนนี่พวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเพราะว่าทุกค น, นต้องถึงจุดจบจะปตีโพยตีภายไม่ได้นะถึงคราวมันแล้วอย่างมีโยมที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเป็นภาษาภาษาจีนว่าคนอายุเจ็ดสิบปีคุณโยมอายุเจ็ดสิบปีตายแบบกระทันหัน พอตายไปแล้วไปถึงโยมบรรทุกพอไปเห็นยมบรทูกก็ขึ้นศาลเหมืนกันยมบรรทุกอ้าวมาแล้วเหรอทําไมมาช่องนี้วะทําทไมไม่ไปช่องสวรรค์นะ่ยคือพอตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นสองช่องนะช่องคุณงามความดีกับช่องทางบาปช่องทางบุญกับช่องทางบาปถ้าไปช่องทางบุญเขาก็ไปถามจะไปสวรรค์ชั้นไหนนี่คล้ายๆแบบ เงินในกระเป๋าของคุณนี่ยจะไปถึงประเทศลาวหรือไปประเทศแเดียอย่างลักษณะอย่างนั้นแหละอะด้วยจะไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือจะไปยุโรปหรือจะไปอเมริกานะเขาจะถามเขาจะดูดูเงินซะก่อนว่างั้นเหรอใครเขาว่าดูทุนในกระเป๋าซะก่อนถ้าว่าตัวเองอยากจะไปอเมริกากไปไม่ได้แล้วเพราะทุนมันน้อยก็ต้องส่งไปประเทศลาวประเทศแนเดียประเทศพมา่าใกล้ๆเนี่ย มาเลยังงั้น่ะแต่ถ้าว่าคนมีบุญมากกว่านั้นก็ไปเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นไปจีนถ้ามีเงินมากจริงๆก็ไปรอบโลกก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เลือกเอาเลยคนมีบุญมากเลือกเอาเลยจะไปที่ไหนสวรรค์ชั้นไหนทั้งหกชั้นเลือกได้อันนี้คนมีบุญแต่ถ้าคนมีบาปก็กปล่อยไปอีกช่องหนึ่งอีกเหมือนกันพอไปถึงก็ก็ดูอีกว่าบาปเล็กบาปน้อยขนาดไหน แอบบาปใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นอนันตรายกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหานทำโลหิตตุบาททำสงให้แตกแยกกันอันนั้นแปลว่าบาปหนักไอ้พวกนี้ตายไปแล้วก่็ น, นู่นแ่ะแปลว่าลูกทหารยมบรรทูนนี่เอามือเกาะแขนไปเลยงนั้นเด้อเหมือนกับนักโทษประหารนักโทษสา ก, กัดส ก, กันอย่างนั้นอ่ะใส่โซ่แล้วยังมาแล้วยัง เอามึงจับแขนอีกเกาะแขนไม่อยู่กลัวมันจะหนีอีกว่างั้นอ่ะอันนี้คือโทษประหารโทษหนักอ น, นั้นตริยกรรมฆ่าฆ่ามารดาฆ่าปิดาฆ่ามารดาฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้ายัางพระโลหิตให้ห่อโ ย, ยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายอันนี้บาปหนักกรรมห้าอย่างทำไมจึงว่าดทำพระโลหิตให้ห้อคืออย่างพระเทวทัตขึ้นบนภูเขาเนี่ย เจตนาจะฆ่าพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเดินมาเนี่กเก่งหินลงมาเพื่อจะให้ทับพระพุทธองค์ก็เลยยกพรบาทรับพระโลหิตก็เลยห้อในพรบาทของพระพุทธเจ้าบาปหนักเหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้ก็คือช่องนี้เป็นช่องบาปหนักพอต่อมาก็คือโทษประหารโทษจำคุกตลอดชีวิตโทษขนาดไหน โยมมาโทษเขาก็ทหารยมมาโทษเขาจะแบ่งแบง่งจากนั้นก็ขึ้นศาลตัดสินนะจ๊ะไปหายมมาโทษแต่นี้คนแก่คนเนี่ยแหละคนลงอายุเจ็ดสิบปีเนี่ยพอเขาจะคุณสมควรจะลงกระทะทองแดงเหมือนกนคงจะกินเหล้ามั้งลงกระทะทองแดง <c oughs> ไปขึ้นไปหายมมาโทก่อนตัดสินตัดสินคดีความพอลุงนี่ขึ้นไป ลงเห็นยมบรรทุดทั้งที่น่ากลัวนั้ยมบทูทุดน่ า, มมนนาเคิมือิน่ขนาดพวกมีบาปทั้งหลายในก้มนั่งสำงําทั้งหมดแล้วเงันไม่มองหน้าเลยแหละแต่นโยมปเขาก็ขึ้นไปแต่คนแก่นี่มันอัดนั่นอั้นตันใจบแปลงไอพอเห็นหน้าทํายมบรรทุดท่านน่ะละระเบิดใส่เลยท่านยมปรรทุดท่านทำอย่างนี้ได้ยังไง ท่านเอาผมมาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอย่างน้อยก็ต้องบอกกล่าวเตือนผมก่อนอันนี้ท่านเอาผมมาเลยนี่สินของผมพลุงพลังยังไม่ได้ชำระพินัยงพินัยกรรมผมก็ยังไม่ได้มอบให้แก่ใครทั้งที่ผมจะจัดการและเรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีตังเยอะแยะทำไมท่านไม่บอกผมก่อนก่อนที่จะเอาผมมาโยามบรรทุกท่านมีอำนาจได้ใช่ไม ท่านก็นตบโต๊ะเปียงลงแรงมาเลยทําไมจึงว่าเราไม่บอกนี่เป็นปะโลกนะปะโลกนะันี่ไม่ใช่โลกมนุษย์นะ้าการพูดอะไรต้องระมัดระวังไม่ใช่มนุษย์โลกนะย ม, มโลกทําไมจึงว่าเราไม่เตือนเราเตือนมาพอแรงแล้วท่านโยงคนนั้นก็บอกเตือนที่ไหนครับท่านไปจะงโมโหในใจ ไม่เตือนได้ยังไงอายุของคุณนะ่ะอายุเท่าไหร่ใส่แว่นที่ใส่แว่นตาเคยได้ใส่แว่นใช่ไหมใช่ครับอายุเท่าไหร่้าสิบครับทำไมจึงใส่เพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ดูหนังในจอโทรทัศน์ไม่ออกมันมัวไปหมดผมก็เลยตัดแป้นใส่นั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งนะเตือนแล้วแกนะ ถ้าไม่แก่จะใส่แว่นได้ยังไงแก่แล้วนะต่อมาก็ฟันหลุดเมื่อไหร่ประมาณหกสิบครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองเตือนแล้วจากแล้วก็เตือนมาเรื่อยๆผมงอกผมขาวหนังเหี่ยวหูตึงคุณไม่ฟังเองคุณดื้อด้านเองช่วยไม่ได้ต้องรู้สิว่าเกิดมาแล้วต้องแก่แก่เจ็บตายตายในะอันที่สุดอันหลังที่สุดเพราะนั้น เตือนมาแล้วยังไม่ฟังแล้วจะเอาอยัางไงอีกจะว่าไม่เตือนอยู่หรอยอมมื่อกันเถอะยอมจมมาถูดเขาเตือนแล้วตัวเองไม่ฟังอีกต่างหากเพราะถือว่าเป็นธรรมดานี่หูตึงหูหนวกเป็นธรรมดาตาฝ้าฟังเป็นธรรมดาแต่ที่แท้ก็ไม่ใช่นะมันบอกถึงความแก่ลากไปเรื่อยๆแล้วงั้นตัวเองก็ยังไม่ยอมเมื่อกันถ้าผมดําแล้วก็ยังมายอมอีกต่างหากเอฟันรูดก็ใส่หาฟันมาใส่อีกต่างหาก พอตาฝ้าฟางใสกระจกตาเข้าไปอีกต่างหักนะแต่ตาไม่จริงมันบอกบ่งบอกถึงความแก่แล้วนี่แหละเพราะนั้นพวกเราทัานทั้งหลายนะอันนี้ก็คือบอกกล่าวกันเอาไว้บอกชีวิตของพวกเราไม่ยืนยาวไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่นี้เอาไปทหารเอาไปตามหน้าที่ไปตามที่บาปกรรมที่เขาได้กระทำไว้ ทหารโยมบรรทุรก็ขก็ลากสองแขนไปแล้วไงแต่นด้คนหนุ่มก็ขึ้นมาอีกเออคนหนุ่มเพื่อตายไปใหม่ๆอายุยี่สิบสามสิบปีคนนั้นก็ไปยืนคอยได้ยินยมบรทุกเขาตัดสินอยู่เั้นอนกนเข้าไปเป็นโทษอะไรผมเพิ่งอายุยี่สิบกว่าปีครับผมก็มาตายท่านไม่ได้ส่งจดหมายถึงผมเลยก็ไปเอาผมมาแล้ว จงบรรทุดอ้าวการเตือนการบอกกล่าวนะมีหลายอย่างเพื่อนของคุณอะ่ะที่เพื่อนสนิทกันมีไหมมีครับเนี่ยเล่นด้วยกันเขาเป็นอะไรเขายังอยู่ไหมเขาตายแล้วครับทำไมเขาจึงตายเพราะโรคปอดครับโรคปอดบวมครับนั่นแหละเธอรู้ไหมว่าเพื่อนขนาดเพื่อนสนิทกันแท้ๆยังตายเธอได้คิดไหมว่าเธอจะตาย ไม่ได้คิดครับอ่านั่นแหละเราเตือนไม่ใช่เตือนแบบเดียวกันนะเตือนหลายหลายอย่างนี่คือสรุปแล้วก็คือให้สะเทือนใจแก่ผู้ได้พบได้เห็นแต่แต่แกเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างเขาแต่ตามไม่จริงมันเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉนั้นอย่าประมาทนะเห็นคนอื่นตายก็ให้น้อมมาหาตัวเองว่าโตข้าพเจ้าอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องตายเหมือนกับเพื่อนของเราหรือของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราต้องคิดอย่างนั้น และก็จากนั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็สั่งสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะชาติหน้ามีตายแล้วไม่สูญโยมบรรอ้กเอาเถอะให้อภัยมันโทษไม่หนักเท่าไหร่ไปหาเกิดซะโยมบรรทูกอะไรมาเกิดเห ง, งือนน่อะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะสัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเนะ่อย่าตั้งอยู่ในความประมาท บาปบุญคุณโทษพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านนั่งภาวนาดูแล้วเห็นแล้วกายกับใจใจกับกายอาศัยกันอยู่แต่ร่างร่างกายเหมือนกับรถถ้ารถมันลูกสูบมันติดสายพานมันขาดอะไรลักษณะอย่างนั้นหม้อน้ำมันแตกนรถมันเสียใจมันมันไม่รู้ว่ามันเสียนะรถนะ แต่คนเจ้าของรถเนี่นย เ, เดินวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกแล้วก็เปิดกระโปรงขึ้นมาอีกดูก็เออตายเครื่องมันพังหมดแล้วเราทำยังไงนั่นแหละเธอหาเครื่องอื่นมาซ่อมแหละเธอไปซื้อสายพานมาใส่ม า, ายกเครื่องมันออกไปทามันหนักนะทามันเสียหายมากต้องยกเครื่องเข้าอูไปซ่อมอะ แต่รถมันไ ม, ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่เจ้าของของรถเนี่ยทุกใจถ้าเป็นรถราคาแพงเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ใจโอ้โหจะได้จ่ายมากละคาวนี่รถมันเสียมากเลยเจ้าของของรถเสียใจนี่ก็เหมือนกันร่างกายมันไม่รู้สึกอะไรนะแต่ใจของเราเท่านะั้นคือนมามธรรมคือใจนะนะั่นน่ะเข้ามาเฝ้ามาดูมาแรมร่างกายของเราอยู่แต่ถ้าจิตใจของเราออกจากรถแล้วนะ่ะค้อนจะทุบไฟจะเผา ร่างกายมันก็เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดแต่เมื่อใจของเรายังอยู่ไฟจับไฟน้อยหนึ่งไฟลนหน้อยหนึ่งก็จะร้องอกร้องอากนะเรพราะเหตุไรเพราะมันเจ้าของเจ้าของอยู่ในร่างกายอยู่คือเจ้าของรถเฝ้ารถอยู่ใครจะเอาอะไรมากีดหน่อยหนึ่งเจ้าของของรถก็ต้องไปด่าไปว่าให้เขาเคุ้มของรถของตอนเองนี้ก็เหมือนกันนะใจของเราคุ้มของร่างกายก็ลักษณะอย่างนั้นนะ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสนใจท่านให้ความใส่ใจสนใจเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเครื่องนามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อน่ะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามโนปุพังขา ม, มาธรรมมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้ พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ่าสถา ญ, ญาติโยมทุกคนนะปรับปรุงใจตนเองให้ดีแต่ถ้าใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนั่นแหละไปเกิดในะสถานที่ใดดีทั้งหมดเพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเลยพระทหารก็เหมือนกันใจของท่านเป็นพระทหารไม่ใช่กายของท่านส่วนร่างกายเป็นผลพลอยได้เท่านั้นแนหะอย่างที่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีรัฐมนตรีก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดี เจ้าของของรถเป็นนายกรัฐมนตรีรถก็เลยเป็นรถนายกรัฐมนตรีไปด้วยเหมนนั้นอ่ที่จอดรถก็ยังเป็นที่จอดรถของนายกรัฐมนตรีไปด้วยฮ้อะไรเกี่ยวกับนายกก็เลยเป็นของนายกไปหมดแต่ตามให้จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพลอยได้จากนายกตนเองอันนี้ก็เหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้า พระบิดาก็เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าเป็นอากมัยเหสีกัอดีตภรรยาก็เป็นอดีตภรรยาของพระพุทธเจ้านะลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคือใจของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเสก่อนนะสิ่งอื่นก็ต่อตามไปด้วยนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายถ้าทําจิตใจให้ตัวเองเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาพระสกทาขาพระอนาคาพระอรหันต ใจเป็นพระรหันต์ใจเป็นพระนาคาใจเป็นพระสักทาคาใจเป็นพระโสดาเนี่ยสิ่งอื่นก็ปลอยตามไปด้วยแต่ถ้าาว่าตัวเองทําชั่วที่นี่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันคิดชั่วจะก่อนมันยังค่อยทําชั่วในเมื่อมันชั่วอย่างนั้นแล้วเป็นอะไรท อ, อ่แต่เราก็ไม่ได้ซ้ำเติมพระเทวทัตหล้วพระเทวทัตทำความชั่วใช่ไหมผลที่สุดใครๆก็เป็นลูกน้องของเทวทัต ขอแม่ของเทวทัตอะไรก็เป็นเทวทัตทั้งหมดนะอย่างวัดก็วัดเทวทัตอีกอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้เราทำแต่คุณงามความดีใจของเราดีแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยเป็นสิริเป็นมงคลไปด้วยพี่น้องลูกหลานก็ดีไปด้วยใครก็อยากจะมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นวงศาคณะญาติของเราแต่ถ้างพวกเราไปฆ่าคู่ฆ่าคนทำความชั่วซะโทษประหารซะ เมื่อเข้าไปเข้าคุกเข้าตารางใครๆก็มาอยากจะไปเยี่ยมไปมองไปแรมไปดูเพราะเหตุไรพราะกลัวเขาจะว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณาญาติแต่ถึงยังไงใจของเราก็ยังคิดถึงกันอยู่แต่ว่าไปยังไงผลที่สุก็เลยคนนั้นที่เข้าคุกไปกันนะั่น mm. เป็นพ่อแม่คนคุกโทษประหารนเป็นพี่น้องของโทษประหารอย่างนั้นแหละเ mm. พราะนั้นพวกเรา ทำตนให้เป็นคนดีสร้างประวัติเอาไว้ เ, เมื่อตายไปแล้วนะ่ะเขาจะได้อ่านประวัติเขียนประวัติด้วยความ อ, อสะดวกสบายใจไม่ใช่ว่าเป็นฆราวาสเป็นพ่อบ้านกสมาเลเทเมาหากดหาเกณฑ์ไม่ได้บ้านแตกสลุกผูุ้พ่อยกินเหล้าเมายาอีกต่าหากทั้งแม่บ้านก็เหมือนกันพอตายไปแล้วนะคนที่เขียนประวัติเเขาก็เขียนยากเหมือน คนเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวดีเออเป็นผู้ทำมาค้าขายขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพดีเขาก็เขียนอย่างนั้นไม่ได้แต่โดยมากคก็เขียนอย่างนั้นแหละสิถึงจะเลวขนาดไหนก็พอมาเขียนประวัติก็เขียนดีแต่คนที่อยู่ใกล้ๆีนสิผู้ที่รู้เรื่องประวัติของคนตายไปนะเอ่อปิดทั้งหูปิดทั้งตาองนั้นเหยพูดได้อย่างไร ชั่วซาเสียหายแต่ละวีแต่ละวันนี่มีติกินเหล้าเมายาอารวาสลูกเมยียแตกสลุกผู้พ่ายไปหมดพอเขียนมาเป็นผู้รับผิดชอบดีเป็นผู้มันขยันทำมาหาเลี้ยงชีพมีจะเอาดีๆมาพูดนะแต่พอเมื่อเป็นคราวา่าตึ้นมาแล้วนะเ่หาชิ้นดีอย่างนั้นไม่ได้ไอ้นคนที่เขียนเนี่ยมันเล็วเหมือนกันเออมันชั่วเหมือนกัน แต่มันคนเกตเดียวกันมันจึงเขียนประวัติกันได้คนพวกเรารู้ๆยังไปเขียนได้ยังไงเขียนอย่างงั้นฮะอย่าให้เขาเขียนยากกว่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้สร้างประวัติตัวเองไว้ให้ดีนะสิ่งนั้นที่มันดีทำสิ่งนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีเป็นประวัติที่ไม่ดีติดตัวต่อไปอจนถึงวันตายะอถ้าเขียนวันตายเออคนนี้เป็นคนดีรับผิดชอบดี ใครเออใช่ ย, ยกให้ดีจริงๆอย่างที่ท่านพูดอย่างที่เขาเขียนพูดจริงๆเอยสบายใจทุกคู่ทุกคนที่ได้ฟังประวัติเลยแต่ถ้าว่าผู้ทําความชั่วแล้วเขียนประวัติแบบเลิศเลออย่างนั้นอ่ะผู้อยู่ใกล้นั่นนะปิดหูปิดตาอย่างนั้นแตอไม่อยากจะฟังแล้วงั้นแต่เขียนะะได้ยังไงตําหนิแต่คนที่เขียนเขาบอกถ้าผมไม่เขียนเองอย่างนี้จะเขียนยังไง มีแต่เอาความชั่วช้าเสียหายมาปาจานให้สาธารณชนฟังนะ่ยมันก็ยิ่งแย่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกต่างหากเอาถ้าท่านตายเขาตายแล้วแตาาตายไปแล้วล่ะเอาแต่สิ่งที่มันดีๆพอที่จะเอามาได้เนีพูดจกเมตพูดเกิดเอา้าพูดไปอย่างนั้นละ่ะพูดแล้วก็จบไปเพื่อเป็นตัวอย่างของอนุชนอย่างน้อยกัคนคุณงามความดีพูดได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้รับผิดชอบไปแ คนที่เขียนเขากับคุณจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันนะอาลับพรนาตินีนอนุโมทนาให้พร